จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่9กากันยายนพุทธศักราชสองพัห้ า, าเป็นวันพระวันธรร ม, มสวัสดิวันฟังธรรมวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่งทรงสอน ให้ชาวพุทธเราปล่อยวางภารกิจการงานทางโลกทางลางยศสารเสริญทางตาหูจมูกเส้นกายเราให้มาทำภารกิจทางใจเพราะใจยังจะต้องเดินทางต่อหลังจากที่ร่างกายอันนี้ตายไปแล้วใจคือผู้คิดผู้รู้นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จต้องออกเดินทางไปเหมือนกับเวลาที่เราไปต่างประเทศก่อนที่เราจะออกเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องเตรียมการน้อยถ้าเราไม่เตรียมการไปเดี๋ยวถึงเวลาออกเดินทางจะไปอย่างลําบากยากเย็นแทนที่จะขึ้นเครื่องบินไปอาจจะต้องเดินไปแทนที่จะไปประเทศที่เราต้องการจะไป ก็อาจจะไม่ได้ไปดังนั้นคนที่จะออกเดินทางเรามักจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมหาเงินหาทองเตรียมหนังสือเดินทางเตรียมทำวีส่งวีซา่าเตรียมจองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินจองที่พักต่างๆจองสถานที่ท่องเที่ยวต้องมีพร้อมถึงจะไปอย่างสบายฉันใดพวกเราก็เหมือนกัน ตอนนี้พวกเราอยู่ในโลกนี้เป็นเหมือนกับอยู่ในประเทศไทยต่อไปเวลาร่างกายเราตายไปใจของเราต้องออกเดินทางแล้วเราไม่สามารถเอาของที่เป็นของเราไปได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมีมากไม่น้อยเอาไปไม่ได้ ยาตพี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดาเอาไปไม่ได้สิ่งต่ตางๆที่เป็นของเรานี้เอาไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะเอาไปได้ก็คือบุตรกุศลที่เปียดเหมือนกับตั๋วเรือบินเหมือนกับวีซา่าเหมือนกับพาสปอร์ต เ, เหมือนกับเงินทองเหมือนกับโรงแรมที่พัก เหมือนกับร้านอาหาร<ม>คือบุญกุศลนี่เราเอาไปได้ถ้าเราไม่มีบุญกุศลไปเลยเราจะไปอย่างลำบากเราจะไปในที่ที่เราไม่อยากไปเ<ม>ช่นถ้าเราทำบาปไม่รักษาศีลห้าข้ออย่างที่วันนี้เรามารักษากันวันนี้เรามารักษาศีลไม่ทำบาป ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปลดไม่เสพสุรายาเมาอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเราไปทํำวีซ่าคือเราจะไม่ไปประเทศที่เราไม่ต้องการจะไปถ้าเราไม่ทําบาปเราก็ไม่ต้องไปอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรกเป็นผีไปตกนรก ที่ไปเหตุที่จะพาให้เราไปก็คือการทําบาป5้าข้อนี้ถ้าเราไม่ทําบาปเราก็ไม่ต้องไปอบาบัยเราก็จะไปสวรรค์สวรรค์เป็นที่ไปของเราถ้าเราไม่ทําบาปแล้วเราทําบุญด้วยต้องมีทั้งสองอย่างไม่ทําบาปถ้าไม่ทําบาปแต่ไม่ทําบุญก็ไม่ได้ไปสวรรค์ ไม่ได้ไปอบายก็เลยต้องกลับมาเป็นมนุษย์กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ดีกว่าเดิมไม่เร็วกว่าเดิมถ้าทำบาปไปอบายใช้กรรมหมดแล้วกลับมาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่เร็วกว่าเดิมแย่กว่าเดิมเพราะบาปที่ทำไว้ยังมีผลติดตามมาต่อไปอถ้าทำบุญรักษาศีลได้ไปสวรรค์ พอกลับมาก็ดีกว่าเดิมเพราะบุญคือเงินทองที่เราเอามาทําบุญนี้จะรอเราอยู่เป็นเหมือนเราเอาเงินไปฝากธนาคารพอถึงเวลาเราต้องการจะใช้เงินเราก็เบิกเงินได้การทําบุญกับการรักษาสีนี้จะทําให้เราไม่ต้องไปเกิดอบายทําให้เราได้ไปเที่ยวในสวรรค์ก่อน ไปเป็นเทพเป็นเทวดาเพราะเรามีบุญติดตัวไปมีเงินมีที่พักมีล้านอาหารที่เราจองไว้แล้วพอเราออกเดินทางเราก็จะไปตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้แล้วพอเราหมดบุญเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็มาเบิกเงินทองที่เราได้ฝากไว้ ในธนาคารบุญเนี่ยเช่นเงินทองของญาติโยมมั น, นี้ที่เอามาทําบุญนี้จะเป็นเหมือนกับเอาไปฝากธนาคารแล้วก็ยังมีดอกเบีย้ยด้วยเวลากลับมาเบิกนี้จะได้มากกว่าที่เราทําไว้เช่นเราทำร้อยบาทเราจะได้พันบาทเนี่ยเพราะว่ามีดอกทบด้วยนี่คือประโยชน์ของการทําบุญไม่ทําบา ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราทำเราก็จะสบายพระพุทธเจ้าท่านรู้สิ่งที่เราไม่รู้คือท่านรู้ว่าใจของเราคือตัวเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราใช้ร่างกายเป็นลูกน้องใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายนี้เป็นเหมือนคนรับใช้ ที่เราใช้เวลาที่เรามาเกิดในโลกนี้เราต้องใช้ร่างกายพาไปหาเงินหาทองหาความสุขจากภรรยาจากสามีจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราต้องมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถไปหาสิ่งต่างๆได้แต่ร่างกายนี้ มันเป็นของชั่วคราวมันไม่อยู่ไปตลอดเหมือนกับใจของเราใจของเรานี้อยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นไม่มีวันสุดไม่มีวันตายแต่ร่างกายนี้ต้องตายอายุแปดสบเก้าสิปีก็ต้องตายไปถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำแต่บาปเราก็ต้องไปใช้กรรมในอบายถ้าเราไม่ได้ทำบุญ กลับมาเกิดเราก็จะยากจนเพราะว่าเราไม่ได้ทำบุญเราไม่มีเงินฝากไว้ในธนาคารอพอเรากลับมาเกิดก็ไม่มีเงินรอนเราอยูอ่นี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหยุดภารกิจการงานทางร่างกายทางโลกนี้ไว้หนึ่งวันเพราะว่าทำ ม, มากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ตายไปก็เอาไปไม่ได้ตอนนี้ถ้าเราพอมีพอกินนี่ถือว่าเรามีความสุขเต็มร้อยแล้วถ้าเราไม่อดอยากขาดแคลนมีอาหารรับประทานมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคเนี้ถือว่าเรามีความสุขเต็มร้อยแล้วส่วนความสุขจากการไปหารูปเสียงกลิ่นรส หาสิ่งต่างๆนี้เป็นความสุขแบบยาเสพติดมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีกับกับไม่ดีไม่มีกับดีกว่าไม่เสพยาเสพติดดีกว่าเสพยาเสพติดเพราะเสพยาเสพติดมันก็สุขตอนที่เสพเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นมันก็หิวโหยอยากจะเสพอีกแล้วถ้าไม่ได้เสพก็จะก็จะทุกข์จะทรมานใจ ดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปเสพรูปเสียงกิ่นรสเนี่ยเช่นไม่ควรไปหาความสุขจากภาพพยนตร์ละครไม่ควรไปหาความสุขจากการรับประทานอาหารขนมนมเนยมากเกินถึงต่อความต้องการของร่างกายรับประทานได้แต่ให้มันพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอ ถ้ารับประทานด้วยความอยากก็เหมือนกับเสพยาเสพติดพอรับประทานแล้วอยากแล้วก็ต้องรับประทานไปเรื่อยๆร่อนั่งกายก็เลยต้องพองขึ้นมากลายเป็นตุ่มไปแล้วก็ต้องมีโรคภัยเบียดเบียนและอายุก็จะตายก่อนวัยนี่คือการหาความสุขด้วยความอยากเป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติดมีแล้วก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆร เวลาไม่มีก็เสียใจเศร้าใจเวลามีแฟนก็ดีใจมีความสุขพอเวลาแฟนจากไปก็เศร้าโศกเสียใจคนที่ไม่มีแฟนเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาอยู่คนเดียวได้วิธีที่เราจะอยู่คนเดียวได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องมาหาความสุขที่วัดกันเพราะที่วัด น, นี้มีความสุขอีกแบบหนึ่ง ที่จะทำให้เราอยู่คนเดียวได้ที่จะทำให้เราไม่ต้องมีลูปเสียงกลิ่นรดมาเสกคือการมาทำบุญมาทำใจให้สงบมาละความโลภความโกรธความหลงอันนี้จะทำให้ใจของเราสงบแล้วจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากการ ไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปร่วมหลับนอนกับแฟนกับสามีกับภรรยาของเราเพราะความสุขแบบนั้นเรียกว่าเป็นความสุขแบบยาวเสดติดแต่ความสุขของพระพุทธเจ้านี้เป็นความสุขแท้เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาและเป็นความสุขที่ถาวรเพราะสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ เวลาที่ไม่มีร่างกายอันนี้แล้วแล้วเป็นความสุขที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเสบรูปเสียงกลิ่นลดถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายเสบรูปเสียงกลิ่นลดอยู่พอเราตายไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่เพราะความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆ ยังมีอยู่ภายในใจความอยากนี้มันก็จะพาให้ใจของเราไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่พอมาเกิดก็ต้องมาทุกกับการทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็มาทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บแล้วก็ทุกกับความตายนี่คือผลที่จะตามมาถ้าเราเสพ ด, ด้วยความอยาก ทำอะไรด้วยความอยากอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากมีนั่นอยากมีนี่ความอยากเหล่านี้จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กับการหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาทุกข์กับการสูญเสียสิ่งที่เราลากไปบุคคลที่เราลากไป เพราะไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพราจากกันถ้าเราไม่อยากที่จะมาทุกข์ซ้ำซากอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้เราต้องมาวัดกันมาหาความสุขจากการศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเมื่อเราศึกษาในปฏิบัติเราก็ได้ความสุข ความสุขที่ไม่ต้องมีความอยากเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดขึ้นแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาวัดมาทําบุญในวันนี้เพื่อให้เราหยุดความอยากเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นเอาเงินไปเที่ยวไปหาความสุขต่างๆเพราะเป็นการซื้อพบชาติซื้อการเวียนว่ายตายเกิด ซื้ อ, อยาเสพติดซื้อแล้วก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆ เ, เอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาซื้อบุญดีกว่ามาทำบุญทำบุญแล้วจะทำให้ใจเราอิ่มทำให้ใจเราสบายมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องไปเที่ยวไปเล่นไปดูไปฟังถ้าเราทำบ่อยๆต่อไปความอยาก จะไปซื้อของด้วยเงินทองต่างๆซื้อความสุขด้วยเงินทองต่างๆมันก็จะหมดไปแล้วทำให้เราสามารถที่จะทำใจให้สงบเพิ่มมากขึ้นได้ให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยการมารักษาศีลถ้าเราทาบุญแล้วเราจะอยากให้คนอื่นเขามีความสุขเราจะไม่อยากให้คนอื่นเขาทุกข์ ให้เขาเดือดร้อนด้วยการกระทำของเราเราก็จะไม่อยากฆ่าสัตว์ไม่อยากลักทรัพย์ไม่อยากประพฤติผิดประเวณีไม่อยากพูดปดไม่อยากดื่มสุรายาเมาพอเรารักษาศีลได้ใจของเราก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความสงบพังเพิ่มมากขึ้นความทุกข์ความวุ่นวายใจเกี่ยวกับการทำบาปก็จะไม่มี สังเกตดูเวลาเราทําบาปนี้ใจเราจะไม่สบายเวลาเราไปโกหกใครนี่เราไม่สบายใจกลัวเขาจะจับได้หรือกลัวว่าเราจําไม่ได้ว่าเร า, เราโกหกอะไรไปบ้างเดี๋ยวก็บางพูดสิ่งที่เราโกหกทีหลังเขาก็จะจับเราได้ mm hmm. าการโกหกก็จะทําให้เราไม่สบายใจวุ่นวายใจ mm hmm. การลักทรัพย์ก็เหมือนกัน mm hmm. การประพฤติผิดประเวณีก็เหมือนกัน การทำร้ายชีวิตของผู้อื่นก็เหมือนทางทำแล้วจะทำให้เราวุ่นวายทำให้ใจเราทุกข์ทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเหมือนวัวสำนังหวะมีแผลอยู่ในใจอะไรมาสกิดนิดสกิดหน่อยก็ก็เจ็บขึ้นมาเห็นตำรวจก็ตกใจแล้วใครก็พูดเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเราแต่เป็นเหมือนกับเรื่องของเราก็ตกใจแล้วคิดว่า เขารู้ว่าเราไปทำบาปไปทำอะไรมาแต่ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วใจเราจะสบายจะไม่มีความวิตกไม่มีความกังวลไม่มีความหวาดกลัวอันนี้ก็เป็นความสุขระดับที่สองความสงบที่ได้จากการมาวัดทำให้ใจเราไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัวแล้วพอเรารักษาสีลห้าข้อได้ เราก็จะขยับขึ้นไปรักษาเป็นแดข้อได้สิ่งแปดนี้จะทำให้เราหยุดการกระทำความอยากที่เป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติด<ม>เช่นการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเรา<ม>ถึงแม้จะไม่ผิดศีลแต่มันก็เป็นเหมือนเสพยาเสพติดจะต้องมีคู่ครองอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาถ้าคู่ครองจากเราไปก็จะเสีย อ, อกเสียใจ จะเศร้าซ้อยหมอยเหงาจะว้าเวแต่ถ้าเรามาหัดอยู่คนเดียวไม่ต้องร่วมหลับนอนกับแฟนได้ต่อไปเวลาไม่มีแฟนเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือสินข้อที่สในสิน8ให้เปลี่ยนจากกาเมมาเป็นอบร ม, มัจริยาแทนที่จ ะ, ะประพฤติไม่ผิดประเวณีก็ให้มาไม่มีการเสพการไม่มีการร่วมหลับนอนกับใคร ก็อยู่คนเดียวสบายกว่าเพราะว่าถ้าเราชิมแล้วมันจะไม่เหงามันจะไม่ว้าเหว่เราก็ให้เรามาหยุดการรับประทานอาหารมากเกินไปเอาแค่เที่ยงวันก็พอหลังจากเที่ยงวันก็ไม่ต้องกินรับรองได้ร่างกายไม่ตายเหมือนเติมน้ํามันลดเติมทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลยไม่ต้องมาคอยแบ่งเติมทีละหนึ่งในสามสามมือก็แบ่ง มื้อละหนึ่งในสามก็มื้อเดียวก็เติมให้มันเต็มไปเลยกินสามมื้อพร้อมๆกันไปทีเดียวให้มันแน่นท้องให้มันอิ่มไปเลยแล้วรับรองได้ว่าร่างกายอยู่ได้ร่างกายไม่ตายไอ้ตัวที่หิวมันไม่ใช่ร่างกายตัวที่หิวก็คือความอยากกินนี่แหละเราต้องมาดัดความอยากกินเพราะถ้าเราไม่ดัดมันไม่หยุดมันมันจะพาให้เรากลับมาเกิดใหม่ ทุกครั้งถ้าเรากินตามความอยากนี้ก็เหมือนกับการกินเพื่อพบชาตินี่กินเพื่อจะได้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ถ้าเราลดการกินด้วยความอยากได้เราก็จะลดการกลับมาเกิดเพื่อกินได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพื่อมากินใหม่เพราะเวลาแก่เจ็บตายนี้มันไม่คุ้มกับการที่เราได้กินอะไรต่างๆความสุขที่ได้จากการกิน กับความทุกข์ที่ได้จากการแก่เจ็บตานี้มันไม่คุ้มกันดังนั้นเรามาหัดกินอาหารตามความต้องการของร่างกายอย่าไปกินอาหารด้วยความอยากด้วยการไม่รับประทานไม่กินหลังเที่ยงวันไปแล้วเราก็จะปราบความอยากกินอาหารได้แล้วเราก็มาลดเรื่องของบมหะรศบันเทิงอย่าไปดูอย่าไปฟัง อย่าไปดูหนังฟังเพลงอย่าไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงตา่างๆไปตามบาร์ตามผับตามบ่อนตามอะไรตา่างๆตา ม, ตามสถานท่องเที่ยวตา่ตางๆมาอยู่วัดแทนา ม, มาอยู่วัดเพื่อที่เราจะได้มามีเวลามาสร้างความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการรักษาศีลก็คือการมาภาวนามาทำใจให้สงบ เราต้องมีที่ภาวนาที่บ้านมันไม่มันไม่เหมาะเพราะมันมีของยั่วใจกวนใจเยอะมีรูปเสียงกิจนลดรอบด้านเราถือศีลแปดคนอื่นเขาไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเวลาเย็นเขากินข้าวเขาก็มายั่วมายวนม า, มาชวนเรามากวนใจเราเดี๋ยวเขาก็เปิดทีวีดูเดี๋ยวเขาเปิดเพลงฟังเราอยู่ใกล้เขาเดี๋ยวเราก็อดทาตามเขาไม่ได้ เราจึงต้องมาอยู่วัดเพราะที่วัด น, นี้จะไม่มีพวกมหรสตบันเทิงต่างๆมีแต่เข้าโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทําใจให้สงบนีพอทําใจให้สงบได้ก็จะมีความสุขแล้วก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการที่ไม่ได้ดูหนังฟังเพลงไม่ได้ดูละครไม่ได้ดูทีวีไม่ได้กินอาหารหลังจากเที่ยงวัน ไปแล้วไม่ได้ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากไม่ได้นอนบนฟูกหนาหนาก็ไม่เดือดร้อนนอนบนพื้นแข็งแข็งก็นอนได้ร่างกายนี้ถ้ามันง่วงมันนอนตรงไหนก็นอนได้แต่ถ้านอนบนฟูกหนาหนามันจะนอนมากเกินไปร่างกายพอได้พักผ่อนหลับนอนปกติสี่ห้าชั่วโมงมันก็จะตื่นขึ้นมา แต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆนะพอตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ไม่อยากจะลุกเพราะมันสบายก็จะนอนต่อก็ติดก็เหมือนกับเสพความสุขทางร่างกายแทนที่จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเสพความสุขทางใจดีกว่าเพราะความสุขทางใจนี้เราเอาไปกับเราได้เวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายเราจะไม่เดือดร้อน เพราะเรายังสามารถหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้หาความสุขจากการรักษาศีลได้หาความสุขจากการภาวนาได้ถ้าเราอาศัยความสุขทางร่างกายเวลาร่างกายแก่เจ็บตายนี้จะไม่สามารถหาความสุขได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ใจมีความว้าเหวมีแต่ความเศร้าส่้อยง่อยเงา ถ้าไม่ระวังก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายได้เพราะมันมีแต่ความซึมเศร้าเวลาที่ไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้นั่นเองแต่ถ้าเรามาวัดอยู่เรื่อยๆมาทำบุญมารักษาศีลห้ามารักษาศีลแปดมาฝึกนั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาเราจะสามารถสร้างความสุขทางใจขึ้นมา ที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายที่จะทำให้เราไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ยังมีความสุขได้และเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากทางร่างกายและเวลาเราตายไปเราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆหรือถ้าเราสามารถปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดได้ เราก็จะไปพระนิพพานไปแบบไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันไม่ดีมีใครอยากจะแก่บ้างมีใครอยากจะเจ็บบ้างมีใครอยากจะตายบ้างตอนนี้พวกเรามันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยยังไม่เห็นพิษเห็นภัยต้องรอเวลามันเจ็บดูเมื่อกี้นี้นี่ก็ญาติโยมก็บอกว่ามี พ่อไม่สบายนี่ตอนนี้พ่อไม่อยากได้เงินได้ทองนะอยากจะให้หาจากเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันทุกข์ทรมารยิ่งถ้าเกิดหมอบอกว่ารักษาไม่หายจะต้องตายไปในสามเดือนหเดือนนี้ทีนี้ไม่อยากได้อะไรแล้ะไม่อยากเที่ยวไม่อยากกินไม่อยากดื่มไม่อยากหาความสุขทางร่างกายแล้วอยากจะให้ใจมันสงบอยากจะให้ใจมันสบาย เพราะถ้ามันรู้ว่าจะตายในี้ใจมันจะเครียดมากมันจะกลัวมากมันจะทําให้ไม่มีสติสตังที่จะทําอะไรได้แต่ถ้าเรามีธรรมะเรามาวัดมาทําบุญมารักษาศีลมาภาวนาเราจะควบคุมใจของเราให้สงบตลอดเวลาจะไม่เครียดกับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่เครียดกับความตายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น นี่คือสิ่งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยคือเอาเงินที่เราจะไปซื้อสิ่งที่เป็นสิ่งเสพติดของใจนี้เอามาทำบุญแทนทำบุญนี่เหมือนกับซื้ออาหารให้ใจถ้าไปเที่ยวไปซื้อของตามความอยากนี่เหมือนกับไปซื้อยาเสพติดให้กับใจอันไหนดีกว่ากัน ยาเสพติดกับอาหารอาหารกินแล้วไม่มีโทษทำให้ร่างกายแข็งแรงเสพยาเสพติดแล้วทำให้ร่างกายตายเสพมากๆเดี๋ยวร่างกายก็จะตายได้และเวลาไม่มีเสพก็ทุกทรมานใจดังนั้นให้เราเอาเงินที่เราจะไปซื้อของตามความอยากต่างๆไปเที่ยวไปเล่นไปดูไปฟังไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเอามาทาบุญดีกว่า แล้วจะทำให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มไม่หิวไม่โหยไม่อยากจะได้สิ่งต่ตางๆแล้วเราก็จะรักษาศีลห้าได้จากศีลห้าเ้าก็จะรักษาศีลแปดจากศีลแปดเราก็จะมาอยู่วัดได้มานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมได้เราก็จะทำใจให้สงบควบคุมใจให้สงบได้ตลอดเวลา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจของเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้จักวิธีควบคุมใจของเรานี่เองด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่คือวันพระวันที่พวกเรามาทําหน้าที่มาสร้างความสงบสร้างความสุขให้กับใจรักษาใจไม่ให้เครียดไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ซึมเศร้า กับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันต้องพลาดพลากกันด้วยกันทุกคนถ้าเราไม่เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์เหล่านี้ไว้เวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้จะทุกข์มากจะทรมานมากและอาจจะคิดฆ่าตัวตายก็ได้ดังนั้นขอให้เราคิดถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้น คิดถึงเหตุการณ์ที่เราจะต้องเจอแล้วหามาตรการคุ้มครองใจเราดีกว่าเหมือนกับเราซื้อประกันภัยซื้อประกันชีวิตเพราะเรารู้ว่าอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนอาจจะมีภัยอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็ได้ชีวิตเราอาจจะสู์สิ้นเมื่อไหร่ก็ได้การมาวัดนี้ก็เหมือนกับการมาซื้อประกันภัยมาซื้อประกันชีวิตแต่ไม่ได้ประกันชีวิตของร่างกาย แต่มาประกันภัยของใจให้ใจของเราไม่มีความทุกมาเหยียบย่ำทำลายนั่นเองนี่คือเรื่องของการมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาภาวนากัน<ม>เพื่อที่เราจะได้มีสิ่งที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบ ไม่ให้เดือดร้อนกับเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตก็ขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์<ม>เพื่อความสุข<ม>เพื่อความแค็งแกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา